บทที่174ความเงียบเข้ามาปกคลุมวงสนทนาของบุคคลชั้นเจ้านายทั้งห้าชั่วขณะกลุ่มพรานพื้นเมืองอีกห้าคนซึ่งมีบุญคำเป็นหัวหน้านั่งรวมกลุ่มแยกวงห่างออกไปอีกด้านหนึง่งกำลังสนทนากันอยู่เบาๆคนเหล่านั้นไม่ได้หันมาสนใจหรือมีส่วนร่วมรับรู้อะไรในวงของเจ้านายด้วยเพราะกลุ่มนายจ้างใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง เนื่องจากมีมาเรียเป็นต้นเหตุของความจำเป็นส่วนกลุ่มพราญพื้นเมืองใช้ภาษากะเหรี่ยงโดยที่ขยินเป็นตัวกลางเช่นเดียวกันสองพี่น้องในราชสกุลขณะนี้มีอาการนั่งอย่างคอแข็งระลาดใจงุนงงซะจนไม่อาจจะเ อ, อ่ยคาใดออกมาได้ชยันนั้นดูจะมีอาการที่สำรวมได้อย่างผิดปกติจนแปลกไปกว่าเคยไม่แสดงความตื่นเต้นพิสวงอะไรนักนอกจากจะมองไปทางเมียแหม่มของเขา เหมือนจะเป็นคำถามว่าจะไม่เป็นการจู่โจมเกินไปหน่อยเหรอที่บอกความจริงชนิดนี้แกเชษฐาและน้อยอย่างกระทันหันแต่เขาก็าไม่ได้เอ่ยออกมาเป็นคำพูดสำหรับประพินไพรวันนั้นไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเงียทายสำเร็จปริญญาตรีทางอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอมเบยังงั้นเหรอหมอดารินพึมพันเหมือนจะกล่าวกับตนเอง มองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีนี่เมถ้าอพูดประโยคนี้เหรอดูว่าฉันได้ยินไปเองกันแน่นะเนี่ยใช่น้อยเธอได้ยินถูกต้องแล้วฉันพูดอย่างนี้คนใช้พิเศษซึ่งมีฐานะพื้นหน้าเป็นชาวป่าแพนจรของเธอเน่ะเป็นคนที่มีการศึกษาดีเยี่ยมผ่านโลกที่เจริญมาแล้วอย่างพวกเราทุกคนฉันคิดว่าเธอคงแทบช็อกเหมือนอย่างที่ฉันได้รู้เป็นครั้งแรกเหมือนกัน ราชาสกุลสาวนิ่งงันไปอีกอึดใจใหญ่ๆซอยเปลือกตาทีๆพยายามจะสำรวจหน้าของผู้ที่รวมวงอยู่ด้วยทุกคนว่าจะมีความรู้สึกเช่นใดบ้างแล้วก็บอกกับตนเองว่าเชษฐาชายันและรบผินจังสงวนท่าทีไว้ได้ดีเหลือเกินในสิ่งที่มาเรียพูดจนทําให้ดูคล้ายกับ ว, ว่ามีหล่อนตื่นงงอยู่คนเดียวเท่านั้นแปลกจริงย่ไม่มีใครตกใจอย่างฉันบ้างเลยเหรอ สำหรับข่าวประหลาดฟังดูบ้าบอคอแตกที่สุดนี่ในที่สุดหล่อนก็ร้องออกมาดังๆฟังมันดูมันก็เข้าวนะไม่จะฟังแล้วทาให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกหรอกน้อยพี่ชายพูดขึ้นอย่างสงบพร้อมกับยิ้มน้อยๆเขาเป็นคนรักษาอารมณ์ได้ดีที่สุดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพลางหันไปทางมาเรียนี่เมคุณรู้เรื่องนี้มาได้ยังไงแล้วรู้เมื่อไหร่ จำได้ไหมคะวันหนึง่งขณะที่ผ่านนิทรานครมาแล้วระหว่างที่เราพักกันอยู่ตอนนั้นฉันไปอาบน้ำในลำธารใกล้ๆที่พักคนเดียวใครก็ไม่ทราบใช้แง่ทรายไปตามฉันขึ้นจากน้ำเราจะมีโอกาสคุยอะไรกันเป็นส่วนตัวในวันนั้นมาเรียสารภาพความจริงมีอะไรต่ออะไรหลายหลายอย่างในท่าทีและคำพูดของแงาา่ทรายทาให้ฉันต้องถ า, ถามถึงที่มาของเขาตามตรง ก็น่าประหลาดอยู่เหมือนกันนะที่เขาไม่ยักกัปิดบังชันบอกความจริงเกี่ยวกับพื้นฐานของเขาให้ฉันทราบแล้วก็อย่างที่ฉันบอกเมื่อกี้นี้คือเขาขอร้องให้ฉันเงียบเฉยไว้ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์น่าคิดดีมากและเห็นว่ายังไม่จําเป็นจะต้องแพร่งพลายให้ใครทราบก็เลยเงียบสเสียเห็นแต่เคยพูดเรื่องนี้กับชัยันคนเดียวเท่านั้นแล้วก็ขอร้องชัยยันอีกคนหนึ่งให้เฉยๆไว้แต่สําหรับวันนี้ ฉันรู้สึกว่าพวกเราทั้งหมดควรจะต้องหันมาพิจารณากันถึงความจริงเรื่องนี้สถิทีคนที่ปะปนอยู่ในกลุ่มคนใช้หรือลูกหาบของเราที่ร่วมทางมาด้วยในครั้งนี้ซึ่งมีพฤติการอะไรต่ออะไรสะกิดความในใจพวกเรามากที่สุดมาโดยตลอดนั้นความจริงเขาไม่ใช่คนดงป่าถื่นอย่างที่เราเข้าใจกันมาแต่แรกเลยหากแต่เป็นปัญญาชนคนหนึ่งทีเดียวเป็นความจริง ที่เมเคยพูดเรื่องนี้กับฉันไว้แล้วครั้งหนึ่งชายันยอมรับมาอีกคนนึงอย่างออม อ, อมเสียงแต่ฉันไม่ได้บอกให้แกหรือน้อยหรือระพินรู้ก็เก็บความอัศจรรย์เอาไว้แล้วก็คอยสังเกตจับตาอยู่ที่แง่ทรายทุกขณะในที่สุดก็ค่อยๆเห็นจริงตามที่เมกระซิบบอกไว้ทุกอย่างลักษณะของแง่ทรายเป็นคนที่ผ่านการศึกษาขั้นอุดมมาแล้วแต่ซ่อนเร้นอมภูมิอัมพรางพื้นฐานแท้จริงเอาไว้ ภายใต้คราบของคนดงท่านหัวหน้าคณะรีตาทั้งคู่ลงพยักหน้านึบหนึบอืมถ้างั้นมันก็ใกล้เคียงกับสังหรณ์ประกอบกับข้อสงสัยของฉันมานานแต่ทั้งหมดนี่เป็นการบอกเล่าจากปากคำของแง่ซายเองเหรือเนี่ยประโยคหลังเขาหันไปถามมาเรียค่ะพี่ใหญ่เขายอมบอกความจริงภายหลังจากที่ฉันจับพิรุธบางอย่างได้แลวคุณแน่ใจได้ยังไง ว่าสิ่งที่แงซ า, ายบอกอะไรเกี่ยวกับตนเองนะ่ะเป็นความจริงไม่ใช่เรื่องที่กูขึ้นเขาอาจจะกูขึ้นก็ได้ค่ะแต่คนที่จะกูเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาได้ก็ย่อมแปลว่าระดับความรู้ของเขาอยู่ในขั้นใกล้เคียงกับสิ่งที่เขากูขึ้นทีเดียวรู้ปะ่ะแงซ า, ายพูดฝรั่งเศสได้คล่องเท่ากับภาษาอังกฤษเขารู้จักงานสำคัญสำคัญของกวีแห่งโลกมากกว่าฉันสิเขารู้แม้กระทั่งว่าโมซาร์ ชายกอฟสกีรีมสกีหรือชูเบิร์ดเขียนเพลงซิมโฟนีที่น่าสนใจอะไรไว้บ้างแล้วก็วิจารณ์ได้อย่างละเอียดปรัชญาแบบของนายฮิลิซัมเป็นยังไงเขาก็อัธิบายแก่ฉันจนแจ่มแจ้งละเอียดและเข้าใจได้ดีกว่าสมัยที่ฉันเคยเรียนมาแล้วในแบบผิวเผินเวลาเขามีโอกาสได้พูดอะไรกับฉันตามลําพังโดยปราศจากบุคคลที่3ซึ่งเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปิดบังสภาพแท้จริงของเขา เราพูดคุยกันอย่างคนที่เจริญแล้วครั้งหนึ่งในการคุยกันเล่นสนุกสนุกกันเขาถามฉันว่าชอบงานเขียนภาพของใครมากที่สุดฉันบอกว่าฉันไม่สนใจเรื่องงานเขียนภาพมากนักแต่เคยได้ดูงานแสดงภาพของปิกัสโซครั้งหนึ่งเขาก็หัวเราะและย้อนถามว่าเคยเห็นภาพประเภทลามุกอนาจารย์ที่ปิกัสโซเขียนไว้บ้างไหมฉันงงไปหมด ไม่เคยรู้มาก่อนเลยพิคาโซเคยเขียนภาพในลักษณะลามุกอนาจารย์ไว้ด้วยหรือเปล่าแล้วเขาก็ถามมาอีกว่าชอบภาพเขียนแบบแอสเตรทของคารดินสกี้บ้างไหมฉันบอกว่าไม่เคยรู้จักคารดินสกี้ละมาเรียักไหลพร้อมกับหัวรอกกร่อ ย, อยมีอะไรที่จะเคลือบแครงอีกบ้างไหมว่าคนคนนี้จะไม่เคยผ่านสถาบันชั้นสูงมาแล้วรวมทั้งประสบการ์เยี่ยงปัญญาชนทั้งหลาย ดารินยกมือทั้งสองขึ้นกุมขมับมีอาการเหมือนจะเป็นลมไปจริงๆสุนเชษถามเม้มริมฝีปากหัวคิ้วขมวดเล็กน้อยพยักหน้าเนิบเนิบอยู่เช่นนั้นปุกองครับผมไม่เห็นคุณแสดงความเห็นอะไรบ้างเลยนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเงซายไงเจ้าคนที่นิยมในภาพเขียนแบบแอ t แ a c กของจิตรกรเวสต์ลีคดินสกี้ซ้ำยังรู้ลึกซึ้งกว่าพวกเราซะอีก ว่าปาปอลปิกัสโซน่ะเคยเขียนภาพแบบลามกอนาจารไว้ด้วยบังเอิญหรือเกินครับที่ผมก็ไม่เคยรู้จักทั้งคานดินสกี้แล้วก็ปิกัสโซเลยก็เลยไม่อาจมีความเห็นยังไงได้เป็นคำตอบที่ราบเรียบที่สุดนี่กระพินรู้ตัวบ้างไหมว่าบางขณนะนัะคุณยวนซะยิ่งกว่าแงซาย ส, ายสิดารินชะโงกตัวเข้ามากระชากไหลโดยแรงผู้เสียงแหลม นี่นี่หมายความว่าคุณต้องการให้พี่ใหญ่แปลในคำพูดแมตตะ ก, กี้นี้ให้ชัดออกไปเหรอว่าเราเจตนาจะถามคุณเช่นไรจอมพรานหัวร้อในลำคอทุกท่านคงสงสัยและอยากจะถามผมว่าผมรู้อะไรอันเป็นภูมิหลังของแง่ทรายเหมือนอย่างที่เมเล่าไม้ฟังบ้างนี่หรือไม่คำตอบก็คือโดยสัตว์จริงนะครับผมไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าที่รู้มาแล้วเลยครับเพราะมันไม่เคยบอกผม เหมือนอย่างที่บอกเมหรือถ้าจะแย้มพลายอะไรออกมาบ้างในระยะหลังๆนี่ก็เพียงแต่บอกว่าก่อนจะมาเป็นทหารกะเหลี่ยงอิสระมันสอนวรรณคาดีอยู่ในมหาวิทยาลัยในแรงกูนครับเฉพาะข้อนี้ก็อาจตรงกันกับที่บอกกับเมแต่ผมไม่ได้สนใจอะไรในคําพูดของมันนักหรอกและเห็นว่าไม่สําคัญก็เลยไม่ไดเอามาบอกเล่าให้เจ้านายฟังแลว้วคุณไม่เชื่อใช่ไหมผู้กองชยันยังเสียงพยายามอ่านสีหน้าพรานใหญ่ ทุกคนเห็นจอมพรานขยับตัวอย่างอึดอัดใจทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าผมเป็นคนไม่ค่อยจะตื่นเต้นหรือว่ายอมเชื่ออะไรได้ง่ายๆนะแงาซายจะมีเบื้องหลังมาอย่างแปลกประหลาดพิสดารยังไงผมไม่สนใจทั้งนั้นแหละประทุกสิ่งทุกอย่างในตัวมันน่ะเป็นความแปลกประหลาดคาดคิดไม่ถึงซึ่งผมพบมาซิจนเคยชินแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละสําหรับเจ้าคนลึกลับคนนี้แ ต, แต่ไหนแต่ไรมา ผมก็ไม่เคยมองมันเหมือนอย่างมองขยินสร้างปลาหรือลูกน้องอันเป็นพรนพื้นเมืองหน้าซื่อของผมเหล่านี้ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้แหละครับที่ฝ่ายนายจ้างทุกท่านมักจะเปรย์ อ, อยู่เสมอว่าผมหวาดระแวงแงซทายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีเหตุผลแต่ความจริงผมมีเหตุผลของผมมันก็เป็นเหตุผลอย่างเดียวกับที่ทุกคนเพิ่งจะมาค้นพบและทราบความจริงกันอยู่อย่างเดี๋ยวนี้แหละครับทุกท่านเพิ่งจะมาตระหนักเอาเดี๋ยวนี้แต่ผมน่ะมองเห็นมานานแล้ว เพียงแต่ไม่กล้าพูดเท่านั้นพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้เจ้านายได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหญิงดารินคิดว่าถ้าใช้ความสังเกตให้รอบคอบสักนิดโดยไม่มองผ่านความจริงคุณหญิงน่าจะจับพิรุษจากแงซายได้มานานแน่นะครับเพราะมันไม่ใช่คนป่าด้วยการศึกษาอย่างที่มันแสดงตัวให้เราเห็นทําไมฉันจะจับอะไรก็ได้ในเมื่อเขาตีหน้าซื่อเซ่อออกอย่างนั้นน่ะ รู้อย่างเดียวว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อยผิดไปจากพวกชาวป่าทั่วๆไประพิน์สันสีสันคุณหญิงครับไอความสุภาพเรียบร้อยนะ่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งไม่สําคัญนักหรอกครับเอาผมจะบอกให้ก็ได้จําได้ไหมครับคุณชายได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ที่พวกเราทั้งหมดถูกโขลงไอแหว่งเล่นงานเสียเลือดมากจนกระทั่งคุณหญิงมีความจําเป็นจะต้องถ่ายเลือดช่วยครั้งนั้น พวกเราเสนอตัวที่จะสล่าเลือดให้คุณชายกันทุกคนแต่คุณหญิงก็ไม่อาจตัดสินใจดําเนินการได้ทั้งนี้เพราะไม่ทราบกลุ่มเลือดของพวกเรามาก่อนหรืออย่างผมซึ่งบังเอิญรู้กลุ่มเลือดของตัวเองมาบ้างก็ปรากฏว่าเป็นคนละกลุ่มกับคุณชายนั้นในขณะนั้นเองทำกลางความอับจนวาวุ่นของพวกเราทุกคนใครคนหนึ่งก็เสนอตัวเข้ามาคุณหญิงจําได้ไหมจําได้ทาไมจะจําไม่ได้ละ่ะก็แง้ทรายอะแล้วยังไง ดารินพูดเร็วปรืงจ้องหน้าครับตอนนั้นคุณหญิงจำได้ไหมว่าคุณหญิงถามมันว่ายังไงฉันก็ถามเขาว่าเขามีเลือดกลุ่มไหนอ่ะแล้วคำตอบของมันล่ะครับคำตอบที่ทำให้คุณหญิงดีใจจนแทบกระโดดนะ่ะจัดการถ่ายเลือดของมันให้คุณชายทันทีนะ่ะเจานั้นตอบคุณหญิงว่ายังไงเขาตอบฉันตอบว่า แพทย์สาวประจำคณะขมวดคิ้วเอามือแตะริมฝีปากอย่างพยายามทบทวนความทรงจำเอาคำตอบของมันให้ชัดเลยนะครับอย่าสรุปอนุมานเอาคำตอบโดยประโยคที่ออกมาจากปากของมันทั้งประโยคเลยแต่ถ้ายังจำไม่ได้ผมจะบอกให้เองครับไม่ต้องรอกฉันจำได้ตอนนั้นเงซายตอบว่าเอบีเน็กฉันถามย้ำไปอีกว่าอะไรนะก็บอกอีกว่า เอบีในกติครับแงซายตอบเช่นนั้นครับซึ่งมันช่วยคุณหญิงทราบได้ทันทีว่ากลุ่มเลือดของมันน่ะตรงกันกับของคุณชายสามารถถ่ายแทนกันได้ทันทีคุณหญิงถามมันโดยไม่ได้บอกให้มันรู้มาก่อนเลยว่าเลือดที่ต้องการน่ะกลุ่มอะไรและบังเอิญที่มันบอกกลุ่มเลือดของมันได้เองตรงกับที่ต้องการพอดีเพื่อความแน่ใจยิ่งขึ้นผมยังจาได้นะครับว่าคุณหญิงยังได้ซักมันต่อไปอีกว่า ที่รู้กลุ่มเลือดของตัวเองน่ะเคยเทสเลือดมาก่อนเหรอแล้วทสในโอกาสไหนใช่เขาบอกฉันว่าเขาเคยผ่าตัด a อ p e n d i x ในโรงพยาบ า, อาลอ่ล่ะครับคราวนี้โปรดใช้ความวิเคราะห์สักนิดนะครับภาษาอันเป็นหลักวิชาแพทย์โดยตรงอย่างเช่นคำว่า a b n e g ิ t i v e และการผ่าตัด a อ p e n d i x ทั้งสองคำ ซึ่งไอ้คนตาคนดงคนหนึ่งใช้พูดกสั ญ, ญาแพทย์อย่างคล่องคล่องสามารถทำความเข้าใจกันได้อย่างดีที่สุดแบบนี้ไอ้คนตาคนดงคนนั้นมันควรจะเป็นคนประเภทไหนครับผมเองนายรพินไพรวันยังไม่รู้เลยว่าไอเอบีนและการผ่าตัดแอปเปนดิกจะมันหมายถึงอะไรถ้าจะรู้ก็รู้เพราะคุณหญิงซึ่งเป็นหมออธิบายให้ซราจิงอยู่ที่รู้กันว่าแง่ า, ายนะพอจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง แต่ปลดรองให้ดีนะครับทั้งสองคำที่เป็นภาษาทางหลักการแพทย์โดยตรงะคนธรรมดาทั่วไปที่ไหนมันจะรู้ได้ล่ะครับถ้าไม่มีพื้นฐานการศึกษามาในขั้นสูงมีความรู้พอที่จะเข้าใจคำเทคนิคของภาษาวิชาการต่างๆได้โดยไม่จำกัดออจริงของคุณถ้างั้นก็ชัดแล้วฉันมองข้ามความจริงข้อนี้ไปซะอย่างสนิทจ้ะดาลินคราง ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่มหัสจรรย์คาคิดไปไม่ถึงเลยสักอย่างดูเถอะเจ้าคนใช้หาบของเดินป่ามีนามมากรให้เราเรียกว่างแงซายยิ้มซื่ออวดฟันขาวอยู่ตลอดเวลาแทนตัวเองว่างแงซายเรียกเราทุกครั้งว่านายหญิงที่ไหนได้มันน่าเจ็บใจนะแบบนี้ต้องกันชัดๆเลยโกหกหลอกลวงเล่นละครได้สนิทนะชนิดยิ้มยอพวกเรามาโดยตลอด ประเดี๋ยวให้เจอหน้ากันสักก่อนหน้าดูชมนี่เดียวไม่มีผลอะไรที่พวกเราทั้งหมดนี่จะต้องโกรธเคืองหรือถือว่าเป็นความผิดกับคนที่มาสมัครเป็นคนใช้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะของตนมาอย่างซื่อสัตย์สุจริตคนนี้จากการที่ฝ่ายเราสืบทราบได้ภายหลังว่าแท้ที่จริงเขามีมาตรฐานการศึกษาสูงกว่าที่เราคิดอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่หลงโง่กันไปหมดซะทุกคน ยังไงก็ยังมีระพินเป็นตัวแทนของฝ่ายเราที่จี้หลังตามทันแงซายอยู่ทุกระยะดีแล้วที่เรารู้ชัดกันออกไปเชในวันนี้โดยการที่ใครรู้เห็นระแคะระคายอะไรก็นํามาปรึกษาบอกเล่ากันตามตรงโดยไม่อ้ออึงปิดบังไว้น้อยว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์แต่พี่ไม่เห็นว่ามันมหัศจรรย์อะไรเท่าไหร่หรอกเพราะเฝ้าสังเกตแงซายมาทุกระยะเหมือนกันเพียงแต่ไม่อยากพูดเท่านั้นจริงอยู่ แง่าสายแสดงละครฉากมาหูลานให้เราทั้งหมดดูแต่ก็แสดงไม่ได้สดิท์นักรอกเพราะในที่สุดพวกเราก็ตามทันอยู่ดีต่อใ้เขาไม่สารภาพความจริงก็เมรพินก็ไหวทันอยู่แล้วถึงพี่เองก็เฝ้าสงสัยมาตลอดพี่ไม่เคยคิดนะว่าเขาจะเป็นคนปา่าคนด้อยการศึกษาอย่างพวกพื้นเมืองประเภทบุญคำขยินหรือสางปลาท่านหัวหน้าคณะกล่าวอย่างสุ ข, ขุมคัมภีรภาพแทนที่จะโกรธจางน้องสาว ก็กลับยิ้มอย่างอารมณ์ดีเอื้อมมือไปตบที่เข่าของปรานนาทางปุกองผมรู้ว่าคุณรู้อะไรทุกอย่างของเจ้าคนใช้พิเศษของเราคนนี้แต่คุณไม่ยอมพูดปล่อยพวกเราสแสวงหาความจริงเราเองสังเกตดูวันนี้คุณหงุดหงิดมากอารมณ์เสียเพราะผมเป็นต้นเหตุทําให้คุณเสียรูงแงสายกระมัหาไม่ได้ครับคุณชายโปรดจะเข้าใจอะไรผมผิดเลยครับ แล้วคุณมีความเห็นยังไงบ้างะเกี่ยวกับเนินพระจันทร์ที่ผมพูดเมื่อครู่นี้ตามเหตุผลทัศนคติของพรามครับก็เป็นเหตุผลที่น่าคิดนะครับผมเองไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนแต่ปัญหาที่ทำให้เราอับจนกันอยู่ในขณะนี้ก็คือทํายังไงเราถึงจะมองเห็นเขาครุดได้เมื่อเราอยู่บนบริเวณที่เราคิดว่าควรจะต้องใช้เนินพระจันทร์เอาเป็นว่าเราจะย้อนกลับไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ล่ะ เชิฐาบอกรวมๆกับทุกคนด้วยน้ำเสียงอันแจ่มใสแต่ขอข้อตกลงรับปากทุกจากทุกคนไว้อีกครั้งนะเมื่อเราไปถึงที่นั่นทุกคนขอเฉยให้หมดอย่ามีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นผมจะเรียกแง่ทรายเข้ามาเจรจาเองคราวนี้แหละที่เราจะได้เห็นลวดลายเล่ห์เหลี่ยมของแง่ทรายอย่างถนัดตาที่สุดพร้อมๆกันอย่าเพิ่งมันรู้ตัวซะก่อนว่าเราเท่าทันมันทุกคนรับในคาสั่งของเขา เฉิทาชวนทั้งหมดออกเดินทางย้อนกลับไปยังตำแหน่งที่แงซทายและสางปลาเฝ้าของในทันทีนั้นประมาณ150เมตรเมื่อไตระดับขึ้นมาสู่ขอบเนินพ้นที่กำบังตาทั้งหมดมองเห็นกองสัมภาระวางพักรวมกลุ่มอยู่ในบริเวณแอ่ง ว, าว้าอันเป็นร่องบรรจบกันของโคกเนินสองฝั่งแงซายกับสังปลานอนกันอยู่อย่างสบายอารมณ์บนกองสัมภาระเหล่านั้นมีอาการเหมือนจะหลับ เมื่อต่างเคลื่อนใกล้เข้ามาอีกจนไม่เกิน20สิบเมตรจะถึงตัวเจ้าคนที่เป็นปริศนาลึกลับพอๆกับลายแทงของมังมหานรธาก็พงกศีรษะขึ้นดูพอมองเห็นพรรคพวกทุกคนก็ดึงกายขึ้นนั่งช้าๆพลางเอื้อมมือไปเขย่าปลุกสหายสางปลาผู้นอนกรนครอกอยู่ให้ตื่นพรวดพราดขึ้นมาด้วยสีหน้าอันตื่นจากอาการหลับอย่างกระทันหันของเจ้าตองซูกับข้าวหน้าที่แลดูซื่อสนิท ปราศจากพิรุธใดๆของแง่ทรายกลงกลืนกันได้อย่างสนิทในสายตาที่เฝ้าสำรวจจับของนายจ้างทุกคนอย่ามนี้สางปานี่มันเป็นคนซื่อจริงๆไม่รู้อะไรเลยสักอย่างจากข้าวหน้าบริสุทธิ์ปานสา ก, กระเบือดินของมันและนั่นคือส่วนประกอบอันแนบเนียนของแง่ทรายซึ่งเต็มไปได้วยอาการสีแส่งอำพรางความรู้สึกของทุกคนบอกกับตนเองเช่นนี้ไม่เห็นรอยพิรุธ อะไรจากมันสักอย่างทั้งๆ ท, ที่ในใจของมันขนาดนี้อาจจะกำลังยิ้มเยาะเราอยู่ก็ได้ชายันกระซิบกับสหายของเขาเออนาเฉยๆไว้ไว้เป็นหน้าที่ใช่ไหมเชษฐากระซิบตอบและสศตารพินบุยใบยเป็นความหมายให้เดินนำพักพวกทุกคนเดินเลี่ยงแยกทางจากตำแหน่งที่แงซายกระสางปานั่งรวมอยู่กับกองสัมภาระนั้นเบนห่างออกไปอีกทางหนึ่ง กับระยะให้ห่างกันพอตะโกนได้ยินแล้วให้ทั้งกลุ่มลงนั่งพักหยุดมุ่งหมายของเชษฐทาที่สั่งให้ทําเช่นนี้ยังไม่อาจมีใครทายใจเขาได้ถูกแต่ก็เริ่มจะเข้าใจเมื่อได้ยินท่านหัวหน้าคณะบอกกมาเรียว่าเมเรียกสั่งปาเข้ามานี่สิถ้างแงซายจะตามเข้ามาด้วยก็สั่งให้อยู่ที่นั่นก่อนยังไม่ต้องเข้ามามาเรียปฏิบัติตามคาสั่งของเขาทันทียกมือขึ้นใส่ปากเป่าโดยแรง พอเจ้าท่าตองสูร่ร่วมตายของหลอนชะเง้อคอมองหลอนก็กวักมือเรียกส่างปลาลุกขึ้นกระวีกระวาดเดินตรงเข้ามาทันทีตามบัญชาทุกคนเห็นแง่ทรายมองมาที่กลุ่มของเขาทั้งหมดด้วยอาการสงบแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวหรือแสดงท่าทีว่าจะลุกขึ้นเดินตามส่างปาเข้ามาด้วยพี่ใหญ่จะสอบสางปาก่อนใช่ไหมคะมาริหันมาถาม เมื่อสมุนของหล่อนเดินหน้าตายเข้ามาถึงใช่คุณทำหน้าที่เป็นล่ามให้ด้วยแล้วกันแม่สาวบอกให้คุณของหล่อนนั่งลงนี่ขณะนี้แง่ทายกาลังมองมาที่เราอยู่นะถ้าทางมันฉงนแล้วก็อ่านท่าทีของเราอยู่เหมือนกันเมื่อเห็นเราเรียกสั่งตาเข้ามาคนเดียวอย่างเงี้ยชายันบอกเบาๆขึ้นกับทุกคนช่างมันมันจะมีไหวพริบ ป, ปฏิพัน์ยังไงประเดี๋ยวก็คงได้เห็นกัน การที่อยู่ๆเราก็เรียกสั่งปลาเข้ามาเช่นนี้โดยไม่เรียกมันเข้ามาด้วยคนฉลาดอย่างมันก็ต้องสงสัยในท่าทีของพวกเราแล้วล่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะย่างชั้นเชิงท่าทีของมันเป็นอันดับแรกได้ดีที่สุดถ้ามันเป็นคนซื่อหรือโง่อย่างแท้จริงมันจะต้องเดินตามสั่งปลาเข้ามาด้วยถึงแม้เราจะไม่เรียกมันโดยตรงก็ตามทีแต่นี่เมื่อเราไม่ได้เรียกมันมาด้วยมันก็สงวนท่าทีให้เห็นอยู่นั่นแหละฉันคิดว่ามันยังไม่ฉลาดนักเราเพราะถ้ามันฉลาดจริง มันก็ต้องตีหน้าเซอร์ทำมันเดินตามสางปาเข้ามาด้วยนอกเสียจากเราจะออกคําสั่งให้มันอยู่ที่นั่นตามเดิมเลเชษฐาก็เริ่มต้นสอบถามสางปาโดยอาศัยมาเรียเป็นล่ามเขาพูดกับมันด้วยสีหน้ายิ้มๆเป็นปกติโดยไม่เห้เกิดพิรุษเครือบแคลงอะไรขึ้นจากความรู้สึกของเจ้าตองสู่คนซื่อเ่ยสางปลาเมื่อกี้นี้เจ้ากับแง่ทายทํำไรกันอยู่สางปากันแง่ทรายนอน่ะ นอนหลับในายใหญ่เมื่อพวกเจ้าขึ้นมาถึงเนินลูกนี้แล้วทางด้านพรานใหญ่กับฉันส่งข่าวให้พวกเราทั้งนี้เดินตามไปนายแหม่มและพวกเราทั้งหมดก็เดินตามไปด้วยแล้วทาไมเจ้ากับแง่ายถึงมานอนหลับสบายอยู่ที่เนี่ยสังปามีสีหน้าตื่นเลิกหลับมองหน้าคนโนนทีคนนี้ทียังไม่รู้เรื่องสังปาไม่รู้ก่อนนายทหารกับนายแหม่มไม่ได้สั่งให้ แง่สายกระสางปลาอยู่เฝ้าของหรอกหรือชา ย, ยันก็เสืมิมาโดยเร็วว่าเชษฐามันไม่รู้จริงๆแหละเพราะปัญหาที่ว่าพวกเราทั้งหมดจะเคลื่อนย้ายสัมภาระตามแกไปด้วยหรือว่าจะให้พักของไว้ก่อนนั้นเป็นเรื่องที่พูดกันระหว่างแง่สายกับฉันโดยเฉพาะเท่านั้นอย่างที่ฉันได้บอกแล้วแง่สายเสนอให้วางพักของไว้ที่นี่ส่วนฉันก็ไม่ได้ฉเฉลิวคิดอะไรในขณะนั้นทั้งสิ้น พอมันบอกอยังงั้นก็เห็นชอบด้วยถึงพวกพรานพื้นเมืองของรบพินทุกคนก็ไม่มีใครคัดค้านหรอกท่านหัวหน้าคณนะพยักหน้า ช, าชา้าๆหันไปซักส่างปลาต่อไปอย่าละเอาละอีทีนี้พอนายทหารนายแหม่มแล้วก็พวกเราทั้งหมดเดินตามฝ่ายของฉันไปทางโน้นเจ้า ก, ก็อยู่เฝ้าของกระแงซ้ทายทางด้านนี้สองคนใช่ไหมใช่แล้วนายใหญ่เออความจริงตัวเจ้าเองจะออกเดินตามนายแม่มไปด้วยไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมถึงไม่ตามไปด้วยละ่ะอีตอนนั้นส่างปากำลังจะตามไปด้วยแล้วแหละในายใหญ่แต่แง่ทรายน่ะมันเรียกส่างปาไว้ชวนให้อยู่เป็นเพื่อนเฝ้าของกับมันส่างปาก็เลยไม่ไปนายแหม่มก็ไม่ได้พูดอะไรกับส่างปาแล้วพอคนอื่นๆพากันเดินไปหมดแล้วแง่ทายพูดอะไรกับเจ้าบางละ่ะเจ้าตองสู่กับพริบตาปริบ ป, ปรปิหันกลับไปมองทางแง่ทายผู้นั่งสงบอยู่คนเดียวห่างห่าง แล้วก็สั่นหัวแง่ทรายไม่ได้พูดอะไรกับสางตาอีกหรอกนายใหญ่แต่มันชวนนอนมันบอกว่าอีกนานกว่าเจ้านายกับพวกนั้นจะกลับมานอนหลับเอาแรงกันก่อนดีกว่าสางตาก็เลยนอนก็เลยหลับไปตื่นขึ้นมาพอดีเจ้านายกลับมาถึงไม่ได้พูดอะไรกันเลยเหรอไม่ได้พูดครับในายใหญ่แล้วเจ้าไม่ได้ถามแง่ทายบ้างเลยเหรอว่าพวกเราทั้งหมดนจะไปไหน ในขณะที่เจ้ากระแงสายเฝ้าของอยู่ทางนี้สางปาไม่ได้ถามะในะนายใหญ่แล้วเจ้าเองนะคิดว่าพวกเราเดินไปไหนกันสางปาคิดว่าพวกเจ้านายคงไปเดินสำรวจที่ลระเดี๋ยวก็คงย้อนกลับมาเองเชิดาหันไปมองหน้าพักพวกทุกคนที่เงียหูคอยฟังการสอบสวนของเขาอยู่อย่างสงบดารินหัวเราะออกมาเบาๆเจ้าคนฉลาดที่สุด มันไม่ได้พูดอะไรกับเจ้าคนโง่ที่สุดเพื่อให้เราย้อนกลับมาสอบสวนได้เลยนะครับพี่ใหญ่การที่มันเรียกสางปลาไว้ชวนให้อยู่เป็นเพื่อนด้วยเป็นความเมตตาพิเศษที่มันมีให้กับสางปลาโดยมันไม่จําเป็นจะต้องบอกให้เจ้านี่รู้อะไรทั้งนั้นน้อยก็คิดไว้แล้วล่ะว่าแ ง, ง่ซ้ายจะต้องไม่แพ่งแายอะไรกับสางปลาเลยคนซื่อและโง่ที่น่าสงสารมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเมตตาอารีโดยไม่ต้องรับรู้ในแผนของคนฉลาด ที่ช่วยตนเองไว้เลยไม่ใช่เหรอคะก็ดีอยู่บ้างรอกที่แม้งแงซายจะคิดยิ้มเยาะอยู่ภายในเฉพาะตัวคนเดียวเท่านั้นไม่ให้สางลาพลอยยิ้มเยาะพวกเราไปด้วยอืไอ้นี่นะมันสำคัญจริงๆคราวนี้มาดูกันต่อไปว่ามันจะลึกซึ้งสักแค่ไหนระพินเรียกเจ้าตัวดีเข้ามาได้แล้วจอมพรานผู้ตลอดเวลาอยู่ในอาการสงบเฉยเมยที่สุด ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างเขาโดยตลอดยกมือขึ้นโบกเรียกแง่าสายร่างสูงใหญ่นั้นลุกขึ้นยืนอย่างแช่มช้ า, ชาเดินตรงเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของทุกคนที่จ้องมาเป็นตาเดียวอย่างดุดสนีภาพแล้วก็ซุดกายลงนั่งราบกับพื้นเมื่อได้รับคําสั่งจากนายใหญ่ผู้ไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดจริงจังใดๆทั้งสิ้นนอกจากรอยยิ้มละไมและสายตาอันอ่อนโยนแต่พินิษ โดยลึกซึ้งไงทสายฉันรู้นะว่าแกไหวทันใสแล้วท่านหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นอย่างแจ่มใสชัดเจนก็จะไม่ถามอะไรให้งโง่ต่อไปอีกแล้วขอชมเชยนะว่าแกรัดกุมรอบครอบมากปิดประตูที่เราจะเอาผิดไว้ได้สนิทหมดทุกด้านแต่แกก็รู้ใช่ไหมว่าถึงยังไงมันก็ยังสอบพิรุษอยู่ดีสำหรับพรานใหญ่เนะ่เขาไม่ได้งโง่ไปกว่าแกเลยนะขอให้รู้ไว้ด้วย สำหรับชั้นและพวกของชั้นทั้งหมดอาจจะตามแกไม่ทันไปบ้างเพราะคิดไปไม่ถึงเพราะว่าถึงยังไงพวกเราทั้งหมดก็ไม่เขลาอยู่นานนักหรอกทุกคนรอฟังคำตอบแล้วคำตอบก็กังวานลึกออกมาจากบุรุษผู้ตกอยู่ในฐานะจำเลยไกลๆของคณะทั้งหมดชนิดที่เดาล่วงหน้ากันไม่ถูกว่าเจ้านายครับ แง่ทรายไม่มีข้อแก้ตัวใดๆกับเจ้านายทุกคนทั้งสิน้นถ้าหากเจ้านายทั้งหลายจะคิดว่าแง่ท า, ายมีความผิดครับพร้อมกันดวงตาอันเปิดเผยปราศจากแววสะทกสะเทือนใดๆทั้งสิ้นคู่นั้นก็แปรไปจับอยู่ที่นายพรานใหญ่ระพิน์ไพรวันพร้อมกับยิ้มน้อยๆกล่าวต่อมาว่าทั้งหมดนี้เป็นความฉลาดเฉียบแหลมของผู้กองที่ต้องการจะพิสูจน์ให้คณะเจ้านายทั้งหมด ได้เห็นแก่นแท้ของแง่ทายที่เขาเพียรพยายามมาเป็นเวลานา น, านซึ่งในที่สุดครั้งนี้เขาก็ทําได้สําเร็จอย่างงดงามที่สุดได้หมายความว่ายัางไงเชธฐาชฉยันดารินและมาเรียถามขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดกันไว้เลยแง่ทายยิ้มกว้างออกไปอีกดูเป็นรอยยิ้มที่เยือกเย็นผิดประหลาดไปกว่าทุกครั้งที่เคยเห็น เจ้านายครับถ้าเจ้านายทุกคนคิดแต่เพียงว่ามีแง่ทายคนเดียวที่รู้เป้าหมายเนรประจันทร์แล้วสงบนิ่งเฉยไว้ไม่ชี้บอกออกไปให้ชัดก็ขอให้โปดรดทราบไว้เ้อะครับว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะผู้กองระพินรู้แน่ชัดอยู่แก่ใจไม่ได้น้อยไปกว่าแง่ทรายเลยครับแต่เมื่อฝ่ายของเจ้านายยังคลางแคลงเขาก็ยอมเสียเวลาที่จะคล้อยตามเพื่อให้ปรากฏผลพิสูจน์ออกมา ถึงเลข่ของแง่ทรายว่าแกล้งอมพนนำปิดบังไว้ผู้กองยอมลงทุนเสียเวลาเดินแก่งทำเป็นควายเขวพาซื่อเพเจ้านายทั้งหลายมาสู่แสงสว่างด้วยตาตนเองซึ่งพร้อมๆกันนั้นก็จะได้เห็นพองต้องกันว่าแง่ทรายเจ้าเล่แสนกนหลอกให้ทุกคนเดินเหนื่อยไปไกลยอย่างเปล่าประโยชน์ซึ่งแม่ตัวเขาเองก็ยังถูกหลอกด้วย โดยแท้ที่จริงนะผู้กองซ้อนกลททำเป็นถูกหลอกต่างหากเพื่อความผิดของแง่ทรายปรากฏชัดยังไงตัก๊กยังไงก็ตามในกรณีนี้แง่ทรายไม่ได้ผิดเลยถ้าจะผิดก็ผิดอยู่ที่ผู้กองรับผินเขามีสิทธิเต็มที่ในฐานะผู้นำในการเดินทางที่จะชี้ออกไปว่าเนินพระจันทร์อยู่ที่ไหนส่วนแง่ทรายไม่ได้ชี้เลยว่าตรงไหนใช่หรือตรงไหนไม่ใช่ เมื่อจะมีการเดินสำรวจตรวจหาซึ่งในที่สุดก็จะต้องย้อนกลับมาที่เดิมอยู่แล้วเนซายไม่เห็นประโยชน์อันใดที่จะต้องเดินตามไปด้วยเนซายตระหนักในเจตนาของผู้กองแล้วก็ยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นสมตามเจตนาเช่นนั้นของผู้กองโดยเต็มใจเพื่อว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาจะได้มีความแน่ใจท่องแท้เสียทีว่าเนซายนั้นไม่ได้เหนือไปกว่าเขาเลยในทุกด้าน ทุกคนตะลึงพึงเพลิดไปอีกครั้งจากคำพูดอันฉาดฉานหนักแน่นนั้นพากันมองหน้าระหว่างแง้ายกับระพินสลับกันอยู่ไปมาชายันถึงกระกลุมขมับครางลั่นออกมาโวยอะไรกันนี่โว้ยทําไมมันถึงพลิกล็อกกลับตาละปัดไปหมดอย่างนี้เว้ยระพินหน้าแดงกัดแต่ชั่วอึใจเดียวก็เป็นปกติเหมือนเดิมหันมาพูดเรียบๆกับฝ่ายนายจ้างของเขา อยากจะดูความลึกซึ้งของมันไม่ใช่หรือครับคราวนี้เห็นแล้วหรือยังครับใครคาดถึงหรือเดาถูกล่วงหน้าบ้านเชษฐายังไม่กล่าวอะไรในขณะนั้นทั้งสิ้นส่วนดาริงจ้องหน้าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอย่างชงนฉงหายใจขีดสุดรอนอยากจะร้องไห้มาดังๆหรือมิฉะนั้นก็ลุกขึ้นตบหน้าซะทั้งสองคนนั่นแหละมาเรียนนั้นยกมือขึ้นโปะลงไปกลางศีรษะตนเอง ล้ลุกเดินหนีห่างออกไปจากวงไปสูดลมหายใจลึกอยู่ตามลําพังคนเดียวในที่สุดท่ามกลางความเงียบเงนันท่านหัวหน้าคณะก็กล่าวขึ้นมาดีมากที่วันนี้เราจะได้รู้อะไรกันให้หมดเปลยเกออกอไปเสทีทีรับพินรับพินทําให้พวกเราทั้งหมดรู้ถึงธาตุแท้ของแง่ทรายแล้วแง่ทรายก็ทําให้เรารู้ถึงธาตุแท้ของรับพินด้วยเช่นกัน ล้วฝ่ายนายจ้างทุกคนจะไม่ถือสาหาความหรือเอาเรื่องนี้มาพิจารณากันให้เสียเวลาอีกทั้งสิน้นเอาเป็นว่ามันยุติสิ้นสุดลงเบียงแค่นี้แต่เข้าหาความจริงนั่นสิเอาละผมจะถามคุณก่อนอะระพินเนรประจันอยู่ที่ไหนก้อยแงายตั้งหลักอยู่นี่แหละครับแต่ผมสาบานได้ครับว่าไม่ได้แน่ใจก่อนหน้าที่จะเห็นชัดว่ามันไม่เดินตามเราไปด้วย เงาทายละ่ะเนินพระจันทร์อยู่ที่ไหนก็ตำแหน่งนี้แหละในายใหญ่แต่เงาทายก็สาบานได้ว่าไม่ได้แน่ใจก่อนหน้าที่ผู้กองจะนำทุกคนหวนกลับมาอ่ะทีนี้ถามทั้งสองคนว่าทำไมเมื่อเรายืนอยู่ที่นี่แล้วยังไม่สามารถมองย้อนกลับไปเห็นภูเขาครุฑได้ตามที่ลายแทงบอกไว้ความเงียบบกคลุมบรรยากาศอันตึงเครียดนั้น อีกครั้งอดีตร้อยตํารวจเอกตะเวนชายแดนไทยกับอดีตร้อยโทกองโจรกระเหี่ยงซึ่งกลายเป็นตัวต้นเหตุแห่งความปวดศีรษะของนายจ้างด้วยกันทั้งคู่มองตากันเองนิ่งงันอยู่นานไม่ใช่ท้าถามซ้ําขึ้นอีกครั้งด้วยน้ําเสียงที่กระด้างขึ้นเป็นครั้งแรกทั้งคู่ก็ถอนใจออกมาพร้อมกันขอใผมกัแงซร า, ายได้หาเรืออะไรกันตามลําพังเกี่ยวกับเรื่องนี้สักสองสานาทีเถอะครับ พานใหญ่เป็นคนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่พยายามบังคับให้เป็นปกติที่สุดตกลงนนอนุญาตให้ทั้งสองคนนั่นแหละไปเจรจาหารือกันใช่เรียบร้อยแล้วเอาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดมาให้ผมระพินก้าวลำหน้าออกไปก่อนและพยักหน้าเรียกแงซรายผู้ลุกขึ้นเดินตามหลังไปส่วนทางด้านหลังดารินวราริศกระชากลูกเลื่อนจุดสเวทบีแมกนัม ทรงลูกขึ้นลำกล้องเสียงดังสนั่นร้องบอกมาด้วยเสียงอันเฉียบขาดว่าจะต่อยกันก็ได้นะไม่ว่าอะไรนะแต่ขอให้รู้ด้วยนะว่าลูกปืนน่ะเป็นกรรมการตัดสินทั้งสองคนน่นแหละฮะไม่ได้ยิงอะไรมานานละ ว, วันนี้ขอยิงทิ้งพรานนำทางเจ้าเลยก็ะก้นใช้แสนก็จะ ห, หมดเรื่องรำคาญใจซะทีจะหลงตาตายยังอยู่ที่นี่ทั้งหมดกตมันรู้ไปกาปั้นของระพินที่ขยับจะง้างอยู่แล้ว ก็เลยชะงักอยู่แค่นั้นเท่าเท่ากับที่แง่ทซายเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะหลบก็เลยไม่ต้องหลบและทุกคนที่เฝ้าจับตามองอยู่ก็เห็นคนทั้งสองพูดอะไรกันอยู่อึดใจใหญ่ต่อมาแง่ายก็งัดเอาลายแทงต้นฉบับเดิมออกมากลางแผ่ลงกับพื้นหญ้าระพินสุดตัวลงนั่งตรวจ ด, ดูอยู่ด้วยโดยมีสำเนาฉบับคำแปลวางที่ ราชสกุลสาวลดไรเฟิลจากการประทับไหลจ้องเตรียมพร้อมอย่างจริงจังนั้นลงพร้อมกับสายหน้าไปมายังศึกที่จะอ่อนอกอ่อนใจเจ้าพระคุณเอ้ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเหมือนกับสองคนนี้ทำไมถึงไม่ฆ่ากันให้ตายไปสักข้างหนึ่งรู้แล้วรู้รอดไปนะ